สิ่งที่มีค่าสูงยิ่งสำหรับผู้หญิงนับตั้งแต่สมัยดึกดำบรรมาแล้วถือกันว่าดอกไม้คือเครื่องหมายของความรักดอกไม้ไม่ได้เป็นสิ่งราคาแพงอย่างใดเลยโดยเฉพาะในฤดูของมันจะถูกมากและมักจะมีขายตามหัวถนนต่างๆแม้กระนั้นมีผัวอยู่น้อยคนนัก ที่จะถือดอกไม้สักช่อหนึ่งแม้จะเป็นชนิดราคาเยาเช่นดอกเดฟโฟดินติดมือไปฝากเมียที่บ้านจนดูคล้ายกับว่ามันค่าสูงเหมือนดอกกล้วยไม้หรือหายากเหมือนดอกเอเดลไวท์ซึ่งเป็นดอกไม้อยู่บนหน้าผาสูงเทียมเมฆของภูเขาอาลทำไมจะต้องคอยจนกว่าเมียของท่านไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลท่านจึงจะถือดอกไม้ไปฝากหล่อนทำไมจึงไม่หาดอกกุหลาบไปให้หล่อนเสียตั้งแต่เย็นวันพรุ่งนี้ ท่านที่ชอบการทดลองจงปฏิบัติดูแล้วคอยมองให้ดีว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้างยอร์ดเอ็มโคเฮนแม้เขาจะมีภาระยุ่งอยู่ในบลอดเวอย่างที่สุดเขาเข้ออุตส่าห์โทรศัพท์ถึงแม่ของเขาวันละสองครั้งตราบจนหญิงสูงอายุลาจากโลกนี้ท่านคิดว่าทุกครั้งที่เขาโทรศัพท์ถึงแม่เขามีข่าวตื่นเต้นเล่าให้ฟังกระมังเปล่าหรอกท่าน ความเอาใจใส่เล็กๆน้อยอันนี้มีความหมายว่ามันแสดงแก่บุคคลที่ท่านารักว่าท่านคิดถึงหล่อนท่านต้องการจะทําให้หล่อนปลื้มใจและแสดงถึงว่าความสุขของหล่อนเป็นสิ่งที่ท่านเป็นห่วงและท่านมีใจจดจ่ออยู่โดยไม่รู้ลืมผู้หญิงทุกคนมีใจผูกพันอยู่กับความสําคัญของวันเกิดและวันฉลองครบรอบโนู่นนี่ต่างๆเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนับว่าเป็นสิ่งลึกลับอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างของเพศหญิง ซึ่งจะดำรงอยู่เช่นนี้ชั่วการนานผู้ชายส่วนมากมักจะเผลอเรอตลอดชีวิตโดยไม่สามารถจำวันเดือนปีที่สำคัญสำคัญซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่อย่างเลยที่ต้องจำคริสตศักราช1492คริสตศักราช1776วันเกิดของเมียวันเดือนปีที่แต่งงานกันถ้าสองอย่างแรกจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สองอย่างหลังเป็นสิ่งที่จะลืมเสียมิได้เป็นอันขาดท่านผู้พิพากษาโยเซฟแซบัต แห่งเมืองชิคคาโก้ผู้เคยพิจารณาคดีฟ้องหย่ามาแล้ว 40,000 คู่และไกล่เกลี่ยให้คืนดีกันสำเร็จ 2,000 คู่กล่าวเรื่องเล็กๆในน้อยเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คู่แต่งงานส่นมากปราศจากความสุขเป็นต้นว่าเรื่องธรรมดาธรรมดาเช่นเมียยกมือโบกให้ผัวกองหล่อนขณะเขาออกจากบ้านไปทำงานในตอนเช้าวงเล็บเปิดแทนจูบวงเล็บปิดกลายเป็นเรื่องใหญ่จนหย่าร้างกันมาม า, มากต่อมา โรเบิร์ตบราวนิงปฏิบัติต่อเมียของเขาอิริซาเบธแบเรตบราวนิงโดยความสเสน่หาอย่างทราบซึ้งที่สุดเป็นประวัติการณ์กล่าวคือเขาไม่เคยมีภาระยุ่งจนกระทั่งลืมทำให้ความรักของเขากับเมียสุขใสชดช่วงด้วยการออดพรอดและเอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆเขาเอาอกเอาใจเมียของเขาซึ่งเป็นคนป่วยกระสอบกระแสะอย่างดียิ่งจนกระทั่งหลอนเคยเขียนจดหมายถึงพี่สาวและน้องสาวของหลอน มาเวลานี้ฉันเริ่มสงสัยว่าฉันคงจะไม่มีธรรมชาติของเทพที่ดาชนิดใดชนิดหนึ่งเสียแล้วมีชายอยู่เป็นอันมากถือว่าการเอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆประจำวันแก่เมียของเขาเป็นของไม่สำคัญดังเช่นเกเนอร์เม็ดด็อกกล่าวในบทความของเขาที่ลงในนิตยส า, ารพิกโทรเรียลรีวิวบ้านของชาวอเมริกันจาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่กันเสียใหม่เป็นต้นว่า การกินอาหารเช้าบนที่นอนซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่นิยมกันแพร่หลายสําหรับผู้หญิงเป็นจํานวนมากโดยเห็นว่าเป็นการกระทําอันสุขสบายการที่ผู้หญิงชอบกินอาหารเช้าบนที่นอนอยู่ในลักษณะเดียวกับผู้ชายชอบเที่ยวเตะตามสโมสรต่างๆนั่นเองชีวิตแต่งงานเมื่อนานๆานเข้ามักจะเป็นเช่นนี้แหละมีเรื่องหยุ่มยิมโน่นนี่ร้อยแปดคู่แต่งงานที่มองไม่เห็นความสําคัญของสิ่งเล็กๆน้อยๆจะประสบความทุกข์ทรมานในชีวิตแต่งงานของเขา เอตนาเซนวินเซนมิวเลกล่าวสรุปไว้ในโครงสั้นๆของหลอนไม่ใช่ความรักดอกที่ทำให้วันเวลาของฉันทุกทรมานแต่มันมาจากความร้าวรานในสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆเป็นโครงที่ดีซึ่งควรจะท่องจำเอาไว้ในเมือง ino, รีโนศาลอนุญาตให้ทำการหย่าร้างกันได้หกวันในหนึ่งสัปดาห์ในอัตราเฉลี่ยคู่หนึ่งในทุกๆสิบนาทีท่านคิดว่า การแต่งงานเหล่านี้ได้ย่อยยับอับปางลงด้วยเหตุร้ายแรงอย่างแท้จริงกระมังถูกแล้วข้าพเจ้ารับรองว่ามีอยู่จริงหากเพียงไม่กี่รายเท่านั้นถ้าท่านนั่งอยู่ที่ศาลนี้เพื่อฟังคําให้การของผัวเมียผู้ไร้ความสุขวันแล้ววันเล่าท่านจะประจักษ์ความจริงว่าความรักของเขาเหล่านั้นร้าวรานในสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆโปรดหยิบมีดเหล่าดินสอของท่านขึ้นมาแล้วตัดบาทะข้างล่างนี้ ท่านจงปิดไว้ภายในหมวกของท่านหรือปิดไว้ที่กระจกซึ่งท่านจะมองเห็นทุกๆเช้าขณะท่านกลหนวดข้าพเจ้าจะผ่านมาทางนี้เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งใดอันเป็นความดีซึ่งข้าพเจ้าสามารถจะปฏิบัติได้หรือสิ่งใดอันเป็นความกรุณาซึ่งข้าพเจ้าสามารถจะให้แก่มนุษย์คนใดได้ขอให้ข้าพเจ้าทาเสียแต่บัดนี้ ขออย่าให้ข้าพเจ้ารีรอชักช้าหรือเพิกเฉยเพราะข้าพเจ้าจะไม่ผ่านมาทางนี้อีกแล้วดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ชีวิตในครอบครัวของท่านมีความสุขกฎที่ห้ามีดังนี้จงเอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆ